เราแก็เป็นของลูกเขยเขาหลอนหนูตายไป ท, ทั้งที่ให้มันสืบตระกูลไม่เป็นเช่นนั้นเป็นขคนอื่นไปนี่ชอบสมบัดชอบไปนอกมันมีได้อย่างนี้นายจียลังยังเยืนเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยจะไปบ้านก็ไม่ไม่กล้าไปเคยอยู่เพราะเป็นของคนอื่นไปเมื่อวานนี่ก็ไม่ใช่ของเราแล้วใกลเข้ามา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 เป็นทรัพย์ของเราไะเช้ในการเกิดเจ็เจ็บตายได้ทุกอย่างเพราะความรู้สึกตัวทําไม่ไดนน้นี้นั่นเป็นอย่างนั้นท่านเราจะไปล่าลังเลสงสัยอะของจริงละ่ะที่เรามาทำอยู่เนี่ยกายก็มีอยู่จริงใจก็มีอยู่จริงวาจาก็มีอยู่จริงมันใช่สําเร็จประโยชน์ได้ถ้าทําดีก็สําเร็จในความดี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 พระเจ้าทร ง, งสอนพวกเราขันธ์ห้าเป็นของหลักเด้อบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปพระเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วถ้าไม่หยิบเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีกมันก็ได้ได้นื้อผ่านที่ตรงนี้ได้นื้พ่านคือไม่มีขันธ์ห้าเข้าสู่ธรรมชาติไม่มีอุปทานในขันธ์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์ ความดับทุกข์ก็คือไม่มีขันธ์หาให้เข้าสู่ธรรมชาติเป็นรูปรุนล้ว น, วนเป็นเวทนาล้วนลวนเป็นสัญญาสังขารวิญญาณตามธรรมชาติสู่ธรรมชาติไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนตอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เรามีตัวเป็นตน ว, วันหนึ่งเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับเวทนาเกี่ยวกับสัญญาสังขารวิญญาณหลายภพหลายชาติเหลือเกินตอนทักนี้มันไม่มีตัวไม่ตนแล้วก็สเสวยวิบากกรรมไปกับขนันธ์ห้าไม่ใช่น้อย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 เพงแต่เรามีสติรู้สึกตัวลองดูเถองมันจะเป็นยังไงเวทนาเป็นทุกข์จริงหรือเวทนาเป็นสุขจริงหรือมีสติลองดูหัวโลละลองดูมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ ท, าท้าทายเลยแต่เราไปค่อยทําตรงนี้เอาเวทนาไปเป็นสุข เ, เวทนาไปเป็นทุกข์เอาจิตมาเป็นสุขเอาจิตมาเป็นทุกข์ไปซ้ลืมตรงนี้ไป ลืมสติลืมการกระทำตรงนี้ไม่ทำตรงนี้จกตีไปงมไปรูปไปคำกันจบไม่มีการกระทาว่ามันทำมาได้ด้วยซ้าไปไม่ได้ไม่ทุกก็ไม่ได้ไม่โกรธก็ไม่ได้ไม่หลงก็ไม่ได้พวกผมเป็นคารวะญาติยมต้องหลงไปตามลาหูรูปลดจินเสียงก็เวียนว่ายใยเกิดอยู่ในสภาพเช่นนั้น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 เมื่อฉันข้างเดียวเสียงก้องทั่วโลกรมือท่านดังไกลไม่กี่ว่าหมายถึงความสงบความสงบมันดังถึงพรมโลกถึงมรรคผลในผานโนดความสงบจำไหที่พระองค์มาเพลิพุทธกิจอยู่ที่ต้นโพธิ์มีตัะหนาราคะมาเสียบแทงโะองเขาเคยบริโภคจากนั้นมาพระเจ้าก็สงบนิ่งไม่หวั่นไหว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 กลางน้ามอายุวัดลมแรงขึ้นยักษ์มานักเรียนนอกมันจะคุยว่าใครเป็นนายกรำมนีประเทศไทยคณะปายข้านคือใครคณะป่ายรัฐบาลคือใครใครเป็นแชมป์กีฬาโลกใครเป็นพระเอกหนังเรื่องนั้นผมไม่รู้คนเจอเรือบอกว่าผมไม่รู้ามอะไรก็ไม่รู้หรอมึงงูไปนั่นเหรอผมไม่รู้ครับ อะไรก็ตอบไม่ได้เลยนักเรียนนอกก็ดูถูกคนเกี่ยวเรืหาว่าไม่รู้อะไรเวลาขึ้นมาแรงๆก็น้ายนายถ้าเรือล่มมันทำไงใบหน้าเป็นไหมไ ม, นนมไม่เป็นเลยให้น้าไม่เป็นเลยอ้าวมันจะรอดหรือหมายจึงความเกลียดความเจ็บความตายมันรอดได้ไหมอนนี้คืออริยทรัพย์ภายในบรรลอดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มีความรู้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 ถ้าเห็นแล้วไม่ใหญ่โตก็จีบจ้ยนิดเดียวนิดเดียวเลยพเห็นแล้วไม่ใช่เป็นเข้าไปก็ไม่มีไม่มีตัวไม่ตัวยางไงความทุกข์หายหมดเลยหายตัวหายตัวตนไปเหลือ น, น้อยๆเพื่อใช้ต่ตน้นเลยอย่าให้ใหญ่เถอะพวกเราอยู่นี่ยาให้เป็นใหญ่ให้หลวงตาเนี่ยก็อยากเป็นทั่นยน้อยๆไม่อยากเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากนั่งให้ใครกราบไหว้ความเป็นเจียงนะ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 แต่เนี่ก็มีคนดูแลก็รอดมาได้มีหมอบ้างมีเพื่อนบ้างจะจะอุปถัก์กันยังเย็งอาบหน้าไม่ไม่เอาล้างเท่าไหก็ไม่เอาไม่แต่ชักพ้าก็ไม่อยากจะให้คนอื่นทาเองนั่นพอใจไม่ต้องอุปถัมปะถักมากมายไม่ต้องถวายของมากมายเกินไปอยากน้อยๆเป็นพวกน้อยๆมันน้อยยิ่งๆนะมันไม่ใหญ่ละ